สิกขาบทวิพัง 1,127 คำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดความว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์อาว่าภิกษุณีในความหมายนี้ที่ชื่อว่าอายุครบ20ปีมีอายุถึง20ปี ที่ชื่อว่ากุมารีพระผู้มีพระภาคกลัดหมายถึงสามเณรีคําว่าตลอดสองปีคือสิ้นสองปีที่ชื่อว่าผู้ยังไม่ได้ศึกษาสิขาคือภิกษุณีสงฆ์ยังไม่ได้ให้สิขาหรือให้แล้วแต่เธอทําขาดคําว่าบวชให้คืออุปสมบทให้ภิกษุณีตั้งใจว่าจะบวชให้แล้วแสวงหาคณะอาจารย์บาทหรือจีวรหรือสมมุติสีมาต้องบวชทุกกฎจบญติ